Mm ¶¶ -hmm. ชายคนหนึ่งเป็นคนฉลาดนะเรียนก็เก่งนะเวลาทำงานก็ประสบความสำเร็จฐานะก็ดีนะเรียกตั้งแต่เล็กเลยคงเพราะเหตุนี้ก็เลยมีนิสัยใจร้อนเนะจ้าอารมณ์แล้วก็เอาแต่ใจตัวเพื่อนๆนี่ก็ค่อนข้างจะระอานะเพราะว่านิสัยแบบนี้ อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะความเครียดจากการทํางานหรือเพราะว่าความเจ้าอารมณ์ะก็แล้วแต่ก็ปรากบว่าเส้เลืในสมองแตกทําให้เป็นอัมพาตแล้วคนที่เคยทําอะไรได้ด้วยตัวเองคล่องแคล่วเป็นคนเก่งเสร็จแล้วต้องมาล้มป่วยเป็นอัมพาตเนี่ยก็ดึงทําให้เกิดความหงุดหงิดมากขึ้นเกิดความคุนเคือง นะยอมรับไม่ได้ทำใจนะไม่ได้ที่ตัวเองต้องมาเป็นแบบนี้เรียกว่าต้องกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาใส่ผู้อื่นก็มีความทุกข์นะตลอดเวลาที่ป่วยแม้ว่าจะมีเงินมีทองนะในการเยียวยารักษา แต่ก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นนะหมอแนะนำให้ทำกายภาพบำบัดให้พยายามที่ออกกำลังกายบริหารร่างกายฝึกหัดนะในการเดินในการใช้มือใช้แขนแกก็รู้สึกไม่ทันใจนะจากคนที่เข้าคลองนี้ต้องมาทำอะไรช้าๆแล้วนะความก้าวหน้าก็ น้อยมากนะก็มีความคุนเคืองใจหนุดหงิดแล้วหมอก็บอกว่าให้ใจเย็นๆนะแกก็ทำใจเย็นไม่เป็นก็เลยอาการก็เลยไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่แต่ตอนหลังเนี่ยก็ค่อยปรับตัวไดนะ้เวลามันก็ช่วยทำให้ จิตใจเย็นลงแล้วก็ยอมรับอาการของตัวเองได้จากเดินที่อยายใจหายไวๆหายไวๆผ่านมาเป็นปีหลายปีก็ยังมีพัฒนาการน้อยมากนะก็เริ่มยอมรับได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บความป่วยหมอสั่งให้ทำอะไรก็ทำนะแต่ก่อนก็ขัดขืน นะเพราะว่าเป็นคนเก่งอะไรที่ไม่ถูกใจก็โวยวายแต่ตอนหลังนี้ก็เชื่อฟังหมอหมอบอกให้ใจเย็นๆให้ทาไปช้าๆแกก็ทําตามที่หมอแนะนำํำบอกว่าตอนหลังนี้อาการก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนนะการที่ได้ฝึกหัดนะบําบัดตามที่หมอแนะนําแล้วขณะเดียกันก็ใจเย็นมากขึ้นอดทนได้มากขึ้นยอมรับได้มากขึ้น มันก็ทำให้แกก็เริ่มที่จะเดินได้ดีขึ้นนะคล่องแคล่วขึ้นตอนหลังนี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะจกนกระทั่งสามารถจะกลับมาเดินได้เกือบจะเหมือนคนปกติแต่สิ่งที่เพื่อนดีใจแล้วก็แปลกใจมากก่อนนั้นก็คือว่า เจ้าตัวเนี่ยในสายก็เปลี่ยนไปด้วยกลายเป็นคนที่ใจเย็นนะแล้วก็ใจกว้างนะแต่ก่อนนี้ใจแคบนะไม่ฟังคนเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มฟังคนมากขึ้นนะแล้วก็ความความหงุดหงิดความเอาแต่ใจตัวก็ ก็เรียกว่าเหลือน้อยมากนะกลายเป็นคนที่น่ารักใส่ใจผู้อื่นนะเอื้อเฟื้อผู้คนนระับฟังความเห็นของคนที่แตกต่างจากตัวเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เล็กจนวัยรุ่นเนี่ยเขาก็อทึ่งเลยนะว่าเ อ, อเปลี่ยนไปเยอะเลยอเปลี่ยนไปเพราะอะไรนะคงไม่ใช่เปลี่ยนไปเพราะวัยอย่างเดียวนะแต่เปลี่ยนไปเพราะว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือว่าโรคอัมาาพาตเนี่ยมันได้กล่อมกล่าวจิตใจของเขามันได้เปลี่ยนนิสัยของเขาเพราะเขาคงได้เรียนรู้นะว่าไอ้ที่เขาป่วยเนี่ยอจนเกือบตายเนี่ยก็เพราะนิสัยที่เอาแต่ใจตัวนะความยึดติดถือมั่นนะความใจร้อน และนิสัยนี้เนี่ยมันก็ทำให้เขาเป็นเพราะนิสัยนี้เขาก็เลยรู้ว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ละทิ้งนิสัยนี้นะก็จะต้องทุกข์นะทุกข์ทั้งใจทุกข์ทั้งกายทุกข์ใจนี่มันก็ชัดอยู่แล้วนะเพราะว่าคนที่มีมีนิสัยแบบนี้เนี่ยก็จะมีความมีโทสะอยู่เป็นเจ้าเรือนอยู่เนืองเนืองแล้วก็ทําให้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลย มันกลายเป็นตัวหน่วงตัวถ่วงให้หายยากหายช้าความทุกข์เนี่ยมันสอนนะสอนให้เขาต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางต้องใจเย็นนะแล้วก็ยอมรับความจริงจะเอาแต่ใจตัวไม่ได้นะความทุกข์มันสอนความเจ็บปวดมาสอนให้เขาต้องค่อยๆผ่อนคลายและปล่อยวางนะแล้วก็ได้เห็นผลเลยนะว่าเออพอทําแล้วเนี่ย ใจก็สบายป่วยก็ป่วยไปแต่ใจสบายแต่มไม่ใช่แค่นั้นนะพอใจสบายแล้วก็พยายามฝึกฝนพยายามมีการบําบัดตัวเองเหยียวยาตัวเองทําตาม ท, ที่หมอแนะนําโดยไม่รียบร้อนเนี่ยอาการทางกายก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันนี้เรียกว่าถ้าไม่ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนะก็อาจจะยังเป็นคนทุกข์อยู่แล้วก็ยังกลายเป็นคนที่น่าระอา หรืออาจจะกลายเป็นคนน่ารังเกียจของเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จในการงานถ้ามีครอบครัวครอบครัวคงจะทุกข์นะทั้งทั้งเมียและลูกนะเพิ่อๆอาจจะตายเร็วก็ได้นะเพราะความความเครียดที่สะสมแต่เพความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้เปลี่ยนแปลงนะนะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอได้มีคนหนึ่งนะ อายุสักหกสิบนะแก่กว่าคนแรกเนี่ยคนแรกนี้สักสามสิบกว่าได้คนที่สอนอายุสักหกสิบก็ประสบความสำเร็จในการงานนะทำทาธุรกิจนธนาคารอะไรเนี่ยแต่ว่าชีวิตครอบครัวไม่รับรื่นแล้ววันหนึ่งภรรยาก็ขอหย่าแกก็เสียใจมากเนะี่ยลูกก็ไม่มีอยู่ พภรยพรยาภรรยายากก็อยู่กันอยู่คนเดียวนะในบ้านหลังจากนั้นไม่นานก็เป็นโรคหัวใจแกก็ตกใจมากนะเพราะว่าโรคหัวใจนี่มันก็หมายถึงความตายใกล้เข้ามาแล้วแกก็พยายามที่จะหาทางเยียวยารักษาออกกำลังกายมากขึ้น กินอาหารที่มีไขมันน้อยลงแต่ปกว่าอาการก็ดีขึ้นกระตืองขึ้นนิดหน่อยแต่ก็แปลกใจก็พยายามไปค้นคว้าหาข้อมูลว่ามันเป็นเพราะอะไรนะตอ น, น, นที่ออกกำลังกายมากขึ้นกินอาหารสุขภาพมากขึ้นไปค้นคว้าทางคนทางกูเก l ลนะก็พบงานวิจัยชิ้นนึงบอกว่า คนที่ใช้ชีวิตอ้างว้างนะโดดเดี่ยวไม่คบค้าสมาคมกับใครเนี่ยมีโอกาสที่จะตายด้วยโรคหวัวใจเนี่ยเป็นสี่เท่าของคนที่นะเขามีนิาสัยที่เปิดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างราบรื่นก็พบว่าไม่ไตรงกับตัวเขาเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียว แล้วก็ไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับใครหยิ่งชัดเลยนะว่าอาการนี้เกิดขึ้นเมื่อภรรยาหยา่านะพอหย่านี่ก็อยู่คนเดียวได้วความกลัวตายเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอเราต้องออกไปเจอผู้คนล้วต้องไปคบค้าสมาคมกับผู้คนนะต้องเปิดตัวเข้าหาคนอื่นบ้างนะก็เลยไปร่วมกิจกรรมนะ ของหน่วยงานการกุศลเขามีหน่วยงานการกุศลที่อยากได้จิตอาสาไปช่วยนั่นช่วยนี่บางทีก็มีกิจกรรมที่ดึงคนมาทำอะไรร่วมกันจ้ก็พยายามเปิดตัวไปไปมีกิจกรรมเหล่านั้นบ้างทั้งสังสรรค์กับผู้คนทั้งไปคบคาสมาคมกับผู้อื่น แล้วก็ไปช่วยเหลือนะเป็นจิตอาสาเพราะว่านอกจากจะมีความสุขมากขึ้นแล้วนะให้สุขภาพก็ดีขึ้นด้วยในส่วนโรคหวัวใจนี่ก็ทุเลาไปเยอะเลยกาถึงก็ บ, บอกว่าเนี่ยพอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นี่ยมันเ ข, เขาพอใจเขาดีใจมากเพราะว่าไม่ใช่แค่สุขภาพดีขึ้นนะช่วยเขาเปลี่ยนไปด้วย เขถึงก็ บ, บอกว่าเนี่ยการที่ไปโรคหัวใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร้ที่สุดอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นกับเขาโรคหัวใจนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือมันทำให้ช่วยเขาเปลี่ยนไปถ้าไม่เป็นโรคหัวใจก็อาจจะยังเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่อย่างเศร้าอันนี้เป็นปัญหาคนในสังคมสมัยใหม่มากนะโดยเฉพาะในสังคมตะวันตกเนี่ย ที่เริ่มตัดขาดตัวเองจากผู้อื่นอยู่คนเดียวในบ้านอนไม่เหมือนสังคมไทยนะบ้านนึงก็อยู่กันหลายคนนะสมัยก่อนยิ่งแล้วใหญ่นะอยู่กันหลายหลายอายุคนเลยนะปูย่ย่าตายายพ่อแม่ลูกแล้วก็หลานบางทีเหลนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมพอสมัยใหม่เนี่ยก็ครอบครัวก็เล็กลงอยู่กับพ่อแม่ลูก ลูกก็แค่หนึ่งคนบางครอบครัวไม่มีลูกก็อยู่แค่สองคนคือพ่อกับแม่ผูวกับเมียพอคนใดคนหนึ่งตายนี่ความเหงาที่มันจู่โจมเล่นงานทำให้อายุสั้นมันตายเพราะโรคหัวใจนี่ก็เยอะเจ้ว่าในกรณีของชายคนนี้นะเขาเนะี่ยเขาปรับตัวทันนะเขาได้เรียนรู้ว่าเนี่ยถ้าใช้ชีวิตแบบเดิมนี่มันคงตายแน่นะให้ความกลัวตาย นะก็ทำให้เขานี้ออกไปเจอผู้คนออกไปพบปะสมาคมออกไปทำจิตอาสาใจก็มีความสุขสุขภาพเปดีขึ้นพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอมาาัมพาตหรือว่าโรคหัวใจนะใครๆก็ไม่อยากให้เกิดนะนเวลาทำบุญก็อธิษฐานว่า่าได้เจอจยได้เจ อ, อได้เจ อ, อ, เจอโรคภัยแบบนี้เลยนะ แต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าโรคภัยเนี่ยมันก็ถ้าถ้าไม่หมดแต่คร่ำครวนนะเราลองคร่ครวนดูมันก็ทำให้เราได้พบว่าโอเเขากาลังสอนเร า, เากาลังบอกเราว่าเรามีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปใช้ชีวิตที่ผิดพลาดกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือว่าใช้ชีสุขสบายเกินไปไม่ออกกาลังตายหรือว่าเป็นคนที่ยึดติดถือมั่นเครียดเอาแต่ใจตัวเจ้าอารมณ์ไอ้ความเจ็บป่วยนี่มันสอนเราได้นะมันบอกเรานะมันเตือนเราว่าเรากาลังใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องวางใจนะผิดพลาดมันสอนให้เรารู้จักหรือตื่นตัวกับการปรับเปลี่ยนตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ช่วตปรับเปลี่ยนการอวางจิตวางใจเปลี่ยนนิสยัยใจคออย่างอยู่พืดด้นตว่าเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้นะมันเปลี่ยนนิสัยคนได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้เปลี่ยนไปในทางที่ลายก็ได้บางคนประสบความสำเร็ในชีวิตพอป่วยเนี่ยเป็นนามาภานี่ยปล่อยจิตให้ตกต่ำแย่นย กลายเป็นคนที่ยิ่งเอะอโวยวายกรัดเกลียวสร้างปัญหาสร้างภาระกับคนที่อยู่รอบข้างแต่คนบางคนเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนที่ปล่อยวางใจเย็นนะหรือว่ามีน้ำใจนะเข้าหาผู้คนเอื้อเฟื้อผู้อื่นนะ ความเจ็บป่วยนี่มันไม่ใช่เป็นของเลวเสมอไปนะมันมีประโยชน์อยู่ไม่ใช่น้อยเลยจริงๆไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วยอย่างเยอะนะความทุกข์ทั้งหลายนะความสูญเสียความพัดพร่าการประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพร่จากสิ่งที่รักนะพวกนี้เนี่ยใครๆก็กลัวไม่อยากเจอเพราะเห็นว่ามันมีแต่ข้อเสีย แต่จริงๆมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยทุกเนี่ยถ้าเราเอาแต่คร่ำครวญเนี่ยเราขาดทุนมันซ้ำเติมตัวเองเสียเงินแล้วก็ยังคร่ำครวญตีอกชอบขวัวมันก็ทำให้เสียความสุขเสียสุขภาพด้วยเสียงานด้วยบางทีอารมณ์เสียมากๆเอาเราว่าใส่เพื่อนก็ทำให้เสียเพื่อนอยู่ เจ็บป่วยก็เหมือนกันนะถ้าเอาแต่คลำครวนตีวกชกหัวมันก็ไม่ใช่ป่วยแค่กายป่วยใจเลยก็เป็นการซ้ําเติมเพียงเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้จักนะตั้งสติให้ดีนะใคราครวนนะอย่ามาโม่แต่คลำครวนนะใคราครวนดีๆไอความทุกข์เรานั้นมันก็กลายเป็นธรรมะสอนเรานะ สอนให้เราปรับเปลี่ยนตัวเองวางจิตวางใจให้ถูกบางคนพอป่วยแล้วเนี่ยจิตใจสงบเย็นลงนะตอนไม่ป่วยนี่จิตใจฟุ้งซ่านอรารวาสนะว้าวุ่นเพราะว่าเต็มไปด้วยความยึดติดถือมัน่นแต่พอป่วยแล้วโดวยเฉพาะป่วยด้วยโรคร้ายเนี่ยความตายใกล้เข้ามามันก็เหมือนกับบีบ บังคับให้ต้องเรียนรู้จากการปล่อยวางถ้ามีหลายคนเลยที่พอป่วยหนักแล้วเนี่ยชีวิตสงบเย็นจิตใจสงบเย็นแม้ว่าร่างกายทุบพลภาพร่างกายจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจนี่เปลี่ยนไปเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีความสุขมากขึ้นเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งเต้านมก็บอกว่าสองปีสุดท้ายในช่วงเขานี่เป็นช่วงที่เขามีความสุขมาก ไม่ว่ามีทุกขเวทนาทางกายแต่ว่าใจเนี่ยสุขเพราะาปล่อยวางความเจ็บป่วยความตายมันมมันมาเสือมันมาเตือนมันมาสอนให้เรารู้ว่ายึดมั่นถือมั่นไปก็มีแต่ทุกข์นะปล่อยวางดีกว่าทุกอย่างมีประโยชน์ท่านั้นนะแม้กระทั่งความทุ ก, ก, ทกข์แม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บความสูญเสียพัดพรากจากคนรักหรือว่าทรัพย์สินเงินทอง เพว่าไปนี่มันไม่มมันก็ไม่ตายการเล่นไพ่นะเล่นไพ่เนี่ยบางทีเราก็จวได้ไพ่ที่ไม่ดีไพ่ที่ไม่สวยแต่ถ้าเอาแต่เอะอะโวย ว, ยวายตีโพยตีพายเนี่ยก็มีหวังว่าจะแพ้แต่คนที่ฉลาดเนี่ยเขาทําใจได้แล้วเขาก็ไม่บ่นนะว่าได้ไพ่ที่ไม่สวยบางทีได้ไพ่เปะสปะเขาก็สามารถจะ เล่นจนชนะได้เล่นเนี่ยจนชนะคนที่มีไพ่สวยๆได้พวกเราที่เคยเล่นดัมมี่โป๊กเกอร์เนี่ยนะก็คงเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรืออาจเคยเห็นคนที่เขามีความสามารถอย่างนี้นะคือจั่วไพ่ที่ไม่สวยแต่ก็เขาตระหนักว่าไพ่ทุกใบเนี่ยไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะถ้าใช้ให้เป็น ก็ชนะอีกฝ่ายได้หรือชนะคนในวงได้ชีวิตเราบางทีเราก็เจอเจอกับสิ่งที่มันไม่ค่อยน่ า, นาพอใจเท่าไหร่ความเจ็บป่วยหรือความสูญเสียพัดพาคก็เหมือนกับไพ่ที่ไม่สวยนะแต่ถ้าใช้ให้มันเป็นมันก็สามารถจะทำให้ชนะได้เหมือนกันเพราะทุกไพ่ทุกใบมีประโยชน์ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นและใช้ให้มันเป็นหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างไม่ว่าภายนอกหรือภายในรือแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นภายนอกก็หมายความว่าความสูญเสียพัดพรากการถูกต่อว่าด่าทอความเจ็บความป่วยความล้มเหลวในงานการไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่โทษอย่างเดียวมันมีคุณด้วย ประสบการณ์ภายในะก็เช่นความฟุ้งซ่านนะความโกรธความหงุดหงิดนะพวกนี้ก็มีประโยชน์เพราะว่ามันสอนทำได้การเจรสติปัฏฐานเนี่ยมีสี่ประการนะคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้ธรรมในที่นี้เนี่ยก็รวมถึงว่าการรู้หรือความเข้าใจในธรรมทั้งหลายเช่นนิวร ห, ห้านิว์หานี่ มันไม่ดีสั่งนั่นเลยนะความฟุ้งซ่านความงัวเหานอนความพยาบาทมีการมราคะความลังเลสงสัยเกิดขึ้นกับใจใครนี่มันไม่สงบเลยแต่ถ้าออามาคล่ำใครครวนให้ดีนะมันทำให้ได้เห็นธรรมนะและทำให้เหมือนกับเป็นประตูไปสู่ความรู้แจ้งได้ ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีความเข้าใจแจ่มชัดในนิวรณ์ทาในการที่จะเข้าใจธรรมะข้ออื่นเช่นขันท่าหรืออริสัท4นี้ก็ยากนะงั้นถ้าเราเวลามันเกิดนิวรขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปอย่าไปผักใสอย่าไปลำคาญมันเอามันเอามันเป็นอุปกรณ์สอนธรรมนะสอนเรื่องใจลักสอนเรื่อง อันนี้จังทุกขังอนัตตาได้พู้นี้สอนทำได้ทั้งนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จักนะช่วยโอกาสหรือรู้จักเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหลวงพ่อคำเขียนทั่นย้าอยู่เสมอนะนักภาวนาคือนักช่วยโอกาสช่วยโอกาสนี่ไม่ได้ช่วยโอกาสไปเอาเปรียบใครนะ แปลว่าช่วยเอาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมไม่ว่าดีหรือร้ายไม่ว่าบวกหรือลบเราก็สามารถจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนมาเป็นธรรมะได้ทั้งนั้นกับความสุขอย่างชาวโลกก็เหมือนกันนะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าเราจะพยายามอย่างไง ร, ระมัดระวังอย่างไรนะมันก็ต้องเจอ กับความทุกข์จนได้ความทุกข์ที่ชื่อว่าความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากความล้มเหลวการถูกตาหนิติชินการถูกต่อว่าด่าทอรวมไปถึงความตายด้วยอันนี้ถึงแม้ไม่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้มันก็รอเราอยู่ข้างหน้าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้ว เป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะแต่แม้ว่าทุกข์เราต้องเจอในที่สุดนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้นะใจไม่ทุกข์ก็ได้ถ้ารู้จักเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกอาจารย์กำพลเนี่ยทองบุญนุ่มเนี่ยเป็นคนที่พิการเมื่ออายุ24ขณะที่ชีวิตกําลังรุ่งโรจน์นะพอพิการตั้งแต่คอลงมาเนี่ก็เหมือนกับว่า ชีวิตตกอับเลยเราคอยวันตายอย่างเดียวในความรู้สึกตอนที่พิการใหม่ๆแต่งานพิการ ไ, ได้สิบกว่าปีได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมจั า, จาหรือว่าคำเขียนท่านให้คำแนะนำทางจดหมายสอนให้รู้จักพลิกมือไปพลิกมือมาให้มีสติรู้ตัวให้รู้ว่าไอ้ที่พลิกนี่คือรูปไอ้ที่คิดระวังที่พลิกนั่นคือนามในสุดก็เข้าใจนะ เข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยมันมันมันทุกข์กายนะใจไม่ได้ทุกข์ด้วยไอ้ที่พิการเนี่ยมันกายพิการใจไม่ได้พิการด้วยจิตเราจะความพิการเลยจิตเราจะความทุกข์เลยแล้วตอนหลังอาจารย์กับเพลก็บอกเนี่ยขอบคุณความทุกข์นะเพราะความทุกข์มาสอนให้รู้จักทุกข์แล้วเมื่อรู้จักทุกข์ก็รู้จักทางพ้นทุกข์นะ คนเราเนี่ยจะเห็นทางพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเจอทุกข์จนรู้จักทุกข์แล้วก็เห็นว่ารู้ว่าทุกข์เพราะอะไรเมื่อรู้ว่าทุกข์เพราะอะไรหรือรู้สมุทัยไทยไ้ทางออกจากทุกข์มันก็แสดงตัวออกมาเผยออกมาเหมือนกันทุกข์เพราะยึดการพ้นทุกข์ก็คือปล่อยหรือวางอันนี้ความทุกข์มันจะบอกเรา นะให้เห็นว่าให้รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรและจะพ้นทุกข์ได้เพราะอะไรด้วยนี้พระเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยทุกข์เนี่ยไม่ได้พียงที่ควรทำนะเมื่อเจอทุกข์เนี่ยคือการรู้จักทุกข์ให้ดีบางทีก็ใช้คําว่ากําหนดรู้กําหนดรู้นี่มาจากภาษาบาลีว่าปริญญานะก็คือการรู้ทั่วถึงนะไม่ใช่ไปจ้องไปเพ่งเอานะ และเมื่อมีความทุกข์เนี่ยท่านสอนทุกข์ไม่ได้มีเอาไว้ให้กลุ้มนะเมื่อมีทุกข์เนี่ยก็รู้จักนะพิจารณาทุกข์ให้ดีทุกข์มีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นนะทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้คลำครวนทุกข์มีไว้ให้ใคร์ครวน เมื่อเราใคร่กลวนทุกเนี่ยก็เรียกว่ามันก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาคือการรู้ทั่วนะปริญญาต้องเกี่ยวข้องกับทุกให้ถูกนะทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องละสิ่งที่ต้องละคือสมุ ท, ทยัยแต่สิ่งที่คนทําเกี่ยวกับทุกคือการรู้จักมันให้ทั่วถึงทั่วถึงในที่นี้คือรู้ว่ามันก็มีโทษและมีคุณด้วยมันสามารถจะผลักเราลงนรกก็ได้หรือมันสามารถจะ หลุส่งให้เราขึ้นสวรรค์หรือพ้นทุกข์ก็ได้พระอาหารหันต์นะทั้งหลายในท่านท่านบรรลุธรรมพ้นทุกข์ได้เพราะท่านเข้าใจทุกข์บางท่านเจอทุกข์อย่างแรงนะเสียลูกเสียคนรักบางคนก็ป่วยหนักแต่ก็รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปกรณ์ในการทำให้พ้นทุกข์ได้ก็คือ เอามาดูมันนั่นแหละเอามาใช้เป็นสิ่งที่พิจารณาใคร่ครวนฉั้นทุกเนี่ยเระลึกอยู่เสมอ น, นะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะคร่ำครวญ น, นะใคราครวนให้ดีเมื่อเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในใจหรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยก็เอามาใช้ดูรู้จักเห็นนะรู้จักมองอย่าเข้าไปเป็นฉนั้นถ้าเราใช้ทุกขให้เป็นเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ได้ เราจะไม่กลัวทุกขนะ์นะชาพูดเราไม่กลัวทุกข์เพราะเรารู้เพราะเราเชื่อว่าถ้าใช้มันให้เป็นนะรู้จักมองรู้จักใคร่กลัวเนี่ยมันก็พาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ใช้ก็พูดกันเท่านี้นะเอากลับครับ